ส่วนใหญ่มันเป็นอารมณ์ของกิเลสตัณหาไม่ใช่อารมณ์ของปัญญาที่จะแก้ไขกิเลสค่ะเป็นอารมณ์ของปัญญาเป็นวิปัาสนาภายในมันไม่เป็นอย่างนั้นคิดไปเหมือนกันจะคิดไปในทางแก่ทางไขทางชำระกายใจของตัวจากความทุกความเสียเหมือนกันกับเอาน้า ที่สะอาดซักฟอกเสื้อผ้าก็มีโอกาสเวลาที่จะสะอาดได้แต่ถ้าเอาน้ำเน่าหนาเหม็นของปิจิกลมาซักฟ้อมันจะมีวันเวลาสะอาดสะอาดได้ไหมกลิ่นไอของมันจะหายไปได้ไหมนี่จะจะโศกพบกเลื่อยไปเีือจิตใจของเราถ้าไม่มีปัญญาไม่มีธรรมะก็ทานองเยี่ยวกัน อารมณ์สัญญามันมีแต่มันก่อิตก่อข้องก่อควรรับทุกรับทุเพราะเราเอาน้ำาสกระปกมาชำระมันยิ่งไม่ออกถ้าน้ำสะอาดมันออกถึงมันจะสกระปกมาขนาดไหนก็มีโอกาสที่จะหายจากสกกระปกได้ดจิตใจของ มนุษย์เราทุกคนพอทํานองนั้นมันส ก, กรปรกมาก่อนทั้งนั้นผ่านถึงบริสุทธิ์ผ่านกว่าอาศัยสติปัญญาศรัทธาความเชื่อของท่านประพฤติปฏิบัติสําระมาจนบริสุทธิ์ปุดผ่องเป็นสารณะของโลกเราผูกประพฤติปฏิบัติ <c oughs> เหมือนท่านจะไม่เห็นไม่เป็นอย่างท่านนั้นอย่าไปสงสัยจะต้องเห็นต้องเป็น ในจิตในใจพ้องสนเหมือนกันเพราะสมัยนั้นกับสมัยนี้ไม่มีอะไรผิแดแปกแตกต่างกันคนเกิดในสมัยนั้นก็มีแก่มีตายคนเกิดสมัยนี้ก็มีแก่มีตายเหมือนกันไม่มีอะไรผิดแปลกกันกลางวันทลางคืนอันเดียวกันเดือนปีนาทีโมองอันเดียวกันความดีความชั่วมันมีเหมือนกันเราจะถือว่าสมัยนั้นคนเบาบาง สมัยนี้คนมดนะืดหนาก็เรื่องของเราตีไปคิดเอาต่างหาหากเราปรพอพฤ้นปฏิบัติแล้วสติมีปัญญามีเรื่อกเกลียดตัณหามันก็หายหน้าหายตาไปเหมือนกันกับเราตามไฟขึ้นถึงมันจะมืดขนาดไหนอํานาจของไฟมันเป็นของสว่างมันก็กําจัดความมืดออกไฟในสองคับไล่มันก็ออกไป เพราะความมืดไม่กลัวความสว่างมีสว่างอยู่ที่ไหนมืดจะเข้ามาไม่ได้คนที่มีสติปัญญามีธรรมะยิ่เด็ตปัญหาทิงมันเก็บเต็มท่องฟ้าเต็มโลกอยู่กอดตาง ม, มันเกาะไปเลมานเกาะเกีเ่ยวกับจิตใจของท่านเหมือนกันกับแสงสว่างมีขึ้นความมืดมันก็หายไปฉะนั้นฉะนั้นเราทุกท่านที่มาประพฤติปฏิบัติงจงตั้งหน้าต่างตา แต่ทำบำเพ็ญอย่าไปทำเล่นอย่าไปคิดนอกให้ดูภายในสงวนระวังจิตใจของตัวอย่าไปเอาผิดเอาถูกเอาทุก์เอาโทษจากคนอื่นให้เอาผิดเอาถูกกับจิตของตัวเองทำร้ายจิตของตัวเองจึงจะบริสุทธิ์ถ้าหากไปทำร้ายที่อื่น ไม่มีทางบริสุทธิ์พอมันคันอยู่ที่นี้ไปเข้าที่อื่นขะไหนมันจึงจะหายคันได้ให้พี่เจนาดูภายในมีสติมีปัญญาสอนใจของตัวผู้ปฏิบัติจะต้องทำอย่างนั้นในทำอย่างนั้นก็ไม่มีวันเวลาที่จะสงบละงับที่จะสุขจะสบาย นี่แต่วันบุญวายวันขัดข้องอยู่ที่นี้ก็เป็นอย่างนั้นไปที่นั่นก็เป็นอย่างนี้อีกเลยในนี้แผ่นดินจะอยู่เพราะตัวของเราไม่ดีไปสถานที่ใดก็พบแต่ของไม่ดีถ้าตัวของเราดีอ่ะก็ของดีนั่นแหละมันจะเข้ามา หาตัวของเราทำจิตของเราให้ดีเสียเรื่องต่างๆนนนามันจะดีไปหมดแต่ทำจิตของเราไม่ดีอะอะไรมันจะดีขนาดไหนมันก็ไม่ดีใไม่สุขไม่สบายใไม่สงบระงับหจึงสำคัญอยู่ที่จิตใจของตัวผู้ปฏิบัติจะต้องดูภายในจะต้องชำระใจจิชั่วจีเสีย าไปเห็นเรื่องอื่นเป็นเรื่องสำคัญยิ่งกว่าการปฏิบัติภายในยิ่งกว่าการขับไล่กิเลสตัณหาแล้วไม่มีโอกาสเวลาที่จะสงบระงับดูภายในดูใจทุกคนมันพอทราบพอเข้าใจได้หาดูภายในโอกาสเวลาที่ปล่อยสติปล่อยปัญญา ปล่อยใจไ ห, หลไหลตามสัญญาอารมณ์มันมากเจแจมาสั่งรวมระวังรักษาตัวของตัวมันมีน้อยเหตุผลอันนี้เองมันจึงไม่ทันกันเหมือนคนจำนวนพันกับคนจานวนสิตถากต่อสู้รบกันก็ไม่มีทางที่จะเอาชนะคนจำนวนมากได้เพราะคนจำนวนมากมีกำลังกว่า นี่เรื่องการประพฤติปฏิบัติปฏิปัญญาหรือธรรมะในตัวของตัวมันมีน้อยมันจึงไม่สามารถที่จะกำจัดขับไล่ความส่วเสียต่างๆออกจากกายจากใจได้เกิดความขัดข้องเกิดความบุ่นวายเกิดความทุกข์เดือดร้อนอยู่ตลอดเวลา พยายามทำสติทำปัญญาทำศรัท ธ, ธาความเพียรให้มีขึ้นเราเท่านั้นเป็นผู้ที่จะทำได้ไม่ใช่คนอื่นจะมาทำให้ที่เจนาทางที่จะแก้ไขใจของตัวนั้นมันแล้วแต่ปัญญาของใครไปได้จากอะไร ที่เกิดขึ้นก็ถืออันนั้นว่าเป็นเรื่องสําคัญหรือที่นั้นว่าเป็นมงคลเช่นผู้จิตพิจารณาเรื่องทุกข์ท่ันใจแจ้งแจ้งตามเป็นจริงแล้วพ้นไปจากทุกข์ผู้นั้นก็ถือว่าการพิจารณาทุกข์เป็นเรื่องสําคัญผู้พิจารณาอนิจจังความ ไม่เที่ยงของรูปนามต่างๆจิตใจเห็นเป็นรู้แจ้งแทงตลอดตั้งต่าถือเรื่องอันนี้จังเป็นสำคัญผู้พิจารณาอนัตตาก็ทํานองเดียวกันและจิตของเรามันจะรู้ใจเห็นจะดีจะเด่นด้วยอาการอะไรที่พิจารณาอย่างไรจึงจะเกิดปัญญาสามารถรู้แจ้งแทงตลอดนั้น เป็นหน้าที่ของเราทุกท่านจะต้องพิจารณาเอาสิ่งที่ไหนเคยบอกเคยสอนพระพุทธเจ้าหักห้ามมันฉลาดตามไปคิดไปนึกไม่เบื่อไม่กลัวมันเหมือนแมลงเหมาบินเข้าไฟเผื่อจะหาความสุขความสบายกายใจขเขามันแก่ก่าไฟใหม่เอาปีกขาด ตัวตายมีเราทั้งหลายก็ทำนองนั้นเระพุทธเจ้าคือว่าชีเลตัญหามานัทิถิเป็นของร้อนของเหา่าของเสียแต่เราก็ชอบไปชนิดที่แกนาชอบทรงจิตไปคิดไปนึกก็เหมือนแมลงเม่ายินเข่าไฟแทนที่จะเย็นจะสบายไม่เป็นอย่างนั้นตาย จงหมั่นที่นี่ที่จนะหาธรรมะสอนตัวของตัวแต่ที่เจนาอะไรก็ได้เพราะความจริงมันมีอยู่แต่ไหนแต่ไรถ้าพูใ้ใจเจ้ายังไม่เกิดความจริงของสิ่งต่างๆในโลกมันก็มีอย่อยางนั้นแต่พระองค์ยังไม่เห็นไม่เป็นในจิตในใจแต่เมื่อมาประพฤติปฏิบัติพิ่เจนาะแล้วก็เลยทราบ ลต่วความจริงมันมีมาแต่ไหนแต่ไรอริยสัจ ท, ที่ท่นานสัดเอาไว้ทุกควรกําหนดรู้ทุกมันมีอยู่ที่ไหนมันมีตอนพระพุทธเจ้าประกาศเท่านั้นหรือหรือหากมันมีมาเกาะทวพุทธเจ้าปีนิ้ผ่านไปทุกมันยังมีไหมหรือหากท่านหอบหิวหาบหามไปนิพผานด้วยกันสมุทยัยด้วเหตุให้เกิดทุกได้แก่ตัณหา มันมีไหมความอยากข้องใจการมาตัญหาความรักใครยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสในความสุขความสบายต่างๆมันมีไหมความต้องการข้องใจเมื่อมันมีมันก่อทำให้ก่อทุกข์ก่อโทษขึ้นท้อช้าดมันกงมีการมาตัญหา ภาวตันหาความยินดีในพบในชาติหรือภาวะตันหาความไม่ปรารถนาสิ่งที่มันมีมันเป็นอยู่มันก็เกิดทุกข์ละสิเพราะมันมีมันเป็นเราไม่ปรารถนาแต่มันก็มีมากแก่ตัวของเราคือไม่เห็นตามเป็นจริงของมันสิ่งเหล่านี้ท่านจึงว่าเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เมื่อพิจรารณาด้วยปัญญาเข้าใจ ชาดเกณเป็นจริงในจิตมันก็ดับทุกได้ทุกข้องใจไม่มีเหลือแต่ทุกข้องขันขันจริงว่านีรอทางที่ปฏิบัติทางที่ที่นี้พิจายนาจะก อ, อับมาหยนลงมากว่าคือศีลสมาธิปัญญามันมีอยู่ที่ไหนหละ่ะไม่มีอยู่ที่กายที่ใจของเรานี่หรือการศึกษาพิจายนาการปฏิบัติ ให้ส่องไปหาที่อื่นให่ต้องไปชำระที่อื่นให้องไปอบรมที่อื่นให้องไปศึกษาที่อื่นมันมีอยู่ที่ตัวของตัวทางนั้นที่นายทั่วให้ถึงแล้วมันไม่อยู่มันจะต้องปล่อยตรงวางของมันทั้งทั้งที่เคยติตเคยคล่องเคยคิดเคยปรุงเคยยุ่งเคยเยิงกับสิ่งเหล่านั้นแต่เมื่อจิตใจ มันรู้เห็นตามเป็นจริงมันจะต้องปล่อยส่องว่างมันในยินดีที่จะเกี่ยวข้องผัวพันท้ายท้าจสิ่งเหล่านั้นยังมีอยู่นี่คือความพอของมันความเป็นจริงของมันความเห็นแจ้งของมันมันจะทราบจากการประพฤติปฏิบัติของตัวจากจิตของตัวจงลงมือปฏิบัติ ่างหน้าปฏิบัติทำจริงทำจังในการปฏิบัติถ้าอยากจะพนไปจากทุกอย่าอย่าไปมองที่อื่นไปดูคนอื่นให้ดูจิต ด, ดูใจของตัวเองริงจะทราบเรื่องทั่วไปตามเป็นจริงของมันเพราะตัวเป็นอย่างไร คนอื่นสัตว์อื่นอดีตนะโทษมันก็เป็นอย่างนั้นถ้ามันทราบตามเป็นจริงมันไม่มีอะไรจะ่สงสัยแต่พิจารณาเรื่องถาดเรื่องขันมันก็พิจานณาได้เพราะาถาดขันอันนี้มันมีมาัง แ, แต่เรายังไม่เกิดเราตายไปแล้วพูดดิยังมีชีวิตอยู่เขาก็มีอยู่มันจริงไม่มีอะไรสงสัย เดี่ราคาตัญหาของคนก็ทำนองเดียวกันคือจิตไปยึดมันไปหมายว่าหญิงว่าชายว่าสวยว่างงามเพราะไม่มีปัญญาที่เจนาตามเป็นจริงของมันจิตมันไปยึดจิตมันไปหลงถึงคงจับเป็นดอกบัวเห็นเลือดอ่ะตัวเป็นเถือกประดับความทุกข์โทษต่างๆเราคือว่าสุข ว่าสนุกสนานแต่ความเป็นจริงของมันมันเป็นโกงจกักพัดขันกายใจเขาปวกเราท่านให้เกิดทุกเกิดโทษเพราะความลุมหลงอันนี้มันจะทราบดีหลงเท่าไรก็ยิ่งไวจากธรรมะเท่านั้นเยนนะเข้ามาภายใน แย่เจ็บตายมันมีอยู่ในกายในใจของเรานี่แหละดีชั่วมันก็มีอยู่ที่นี้ดูให้ดีที่เจน่าทั่วถ้าพี่เจน่าทั่วเข้าใจตามเป็นจริงแล้วทำมันไม่ปิดไม่บังเปิดอยู่ทุกระยะทุกเวลาถูกพี่เจนาจะต้องเห็นชัดเจนในจิตในใจของตัว ค่ะมันไม่เป็นไม่เห็นคนอื่นจะบอกให้ดูเท่าไรก็เหมือนกันกับบอกตาบอดมันดูอันนี้มันสีนันนะเห็นไหมเห็นไหมถามเท่าไรมันก็ไม่เห็นหถ้ามันเป็นในจินในใจเขาบอกให้ดูมันก็รู้อันนั้นเป็นอย่างนั้นอันนี้มันเป็นอย่างนี้แสงสีเพราะตามันมีนี่ทำมันมีในใจก็ทํานองเดียวกันพระพุทธเจ้าพูดว่าทุกสมุทัยนี้โลดมาก เป็นอย่างไรอริยสัจสี่พระพุทธเจ้าในสอนเราก็เข้าใจเพราะเรามีธรรมมีวินัยมีจิตมีใจเป็นอัจเป็นธรรมสัจจิตไม่เห็นไม่เป็นอย่างนั้นท่านพูดเท่าไรจำได้บอกได้คนอื่นแต่ตัวเองก็ไม่เห็นไม่เป็นในจิตในใจ ทุกโทษที่มันเคยครบกวนอย่างไรมากกว่าเกิดทุกเกิดโทษอยู่อย่างนั้นเพราะมันไม่เห็นไม่เป็นภายในการประพปฏิบัติจึงปฏิบัติภายในความรู้ความเข้าใจในมรรคในผลไม่ใช่จะเอาสัญญาจำมามันเกิดขึ้นจากการภาวนาการรู้จริงเห็นจริงในใจดังนั้นเราทุกคนนักปฏิบัติมีสิต ที่จะเห็นจะเป็นอย่างนั้นถ้ า, าทุกท่านตัง้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติชำระชั่วบำเพ็ญดีทำจิตทำใจคงตนให้บริสุทธิ์อดีตอนาคตใหม่มีพระพุทธจเจ้ารุกท่านราบดับขันไปก็เพียงจงแต่สมมติเท่านั้นความบริสุทธิ์ของท่านพุทธะคือผู้รู้เป็นอย่างไรพุทธะคือผู้ตื่นเป็นอย่างไรพุทธะคือผู้เบิกบานเป็นอย่างไร เราเห็นเราเป็นในใจแล้วไม่มีทางสงสัยแต่นั้นขอทุกท่านจงพากันประพฤติปฏิบัติชำระชั่ว บ, บําเพ็ญดีอยู่ทุกวี่ทุกวันเมื่อต่างท่านต่างคนรักษาตัวคลองตัวละชั่วบําเพ็ญดีอย่างนั้นความกระทบกระเทียนกันความผิดเสียงกันมันก็จะไม่เกิดขึ้น ความสงบในตัวของตัวก็จะมีความสงบในหมู่ในคณะมันก็จะมีนี่เป็นสิ่งที่ต้องการของตัวเราเองหรือโลกเมื่อมีความสงบความสุขมันก็เกิดขึ้นที่ไหนไม่มีความสงบความสุขความสบายมันก็เกิดไม่ได้ดังนั้นเราจรึงควรสำลัก สิ่งที่ชั่วที่เสียออกจากกายวายายจใจของตัวเมื่อทุกคนทำละชั่วของตนบำเพ็ญดีให้มีขึ้นความสุขความเจริญภายในก็จะประทับจิใจของตัวการอธิบายธรรมะเห็งว่าพอสมควรสี่เวลาพอาะยุติแขงแค่นี้เองวะมาถูกตัวจิตต่อกันมาหลายวันแล้ว จะหยุดวันเพรวันก็ไม่ได้จะพูดดีๆนะครับหาอะไรมาพูดสร้างจิตธรรมะมันก็มีอยู่ทุกผู้ทุกคนธรรมะจิตวิบาอาจารย์อย่างเคยเนี้ยสอนรูปธรรมนามธรรมรูปปรธรรมก็หมายถึงรูปร่างกายของเรา เป็นรูปประทับอันหนึ่งรูปต้นไม้ภูเขาก็เป็นรูปประทับอันหนึ่งนามธรรมก็ได้แก่สัญญาเวทนาสังขารวิญญาณสึ่งทุกท่านทุกคนมีอยู่สิ่งเหล่านี้มันเป็นธรรมสาหรับผู้ที่พิจรารณาเป็นธรรมผู้ใดพิจารณาเป็นธรรมมันก็เกิดเป็นธรรมได้พิจรารณาให้เป็นธรรมนั่นพิจารณาอย่างไรคือพิจารณารูปที่เกิดขึ้น ในวารูปต้นไม้ภูเขาในวะรูปศาสตร์รูปบุคคลมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็แปลงปวนไปตามธรรมชาติขาดขันของมันแล้วก็แตกสลายในที่สุดนี่เป็นรูปปัจทำรูปทัวอย่างเป็นอย่างนั้นใจจะชาร็วแล้วแต่ปัจใจต <c oughs> ิดจึงแต่งของมันแข่งต้นไม้ หรือภูเขามันก็มีอายุยืนยงคงอยู่นานมนุษย์สัตว์บางประเภทก็ไมีกี่วันมันก็ล้มหายตายไปทวามแปรปรวนเปลี่ยนแปลงตามสภาพอย่างนี้ทันเรียกว่ารูปธรรมคือเกิดมาแล้วจะต้องมีแปรปรวนและแตกสลายเราถึงเรียกว่ามนุษย์ก็ทำนองเดียวกัน ว่าใครทั้งหมดจะต้องเป็นอย่างนั้นไม่อย่างนั้นปู่ย่าตาพ่อของเราก็คงยังอยู่ <c oughs> ไม่มีใครถี่จะลมหายตายไปเพราะความในตังมันของรูปแต่ควรเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติของมันเป็นมาแต่ไหนแต่ไรเราที่มีชีวิตอยู่ก็ทำนองเดียวกันจะต้องเป็นเหมือนท่าน ปู่ยาตาถั่วเป็นมาอย่างไรเราถั่วไปก็จะเป็นอย่างนั้นเผื่อเราพิจารณาเรื่องเหล่านี้จิตใจที่ไปหลงไหลใฝ่ฝันประมาทเมินเสยก็จะถอยลดน้อยถอยลงไปเพราะเกิดมาแล้วก็จะต้องแตกจะต้องสลายไม่ว่าหญิงว่าชายไม่ว่าใครทั้งหมดเป็นอย่างนั้นเข้าของเงินทองที่เราแสวงหามาถือว่าเป็นของของเรา เมื่อเราแตกตายไปแล้วก็ไม่มีใครหาบหามหอบเหยื่อไปได้เป็นสมบัติของโลกร่างกายของเราเองก็ถาดอะไรมันก็ไปสื่อถาดอันนั้นคือถาดดินมันก็ลงไปสื่อดินถาดน้ํามันก็ไปสื่อน้ําถาดลมถาดไฟมันก็ไปตามถาดของมันไม่มีอะไรที่จะเป็นคนเป็นสัตว์ไปอีก มันจนอยู่อย่างนี้แต่ไหนแต่ะะไรมาถ้าหากว่าความยึดมั่นถือมั่นได้อะไรมาก็ถือถ่งนั้นเป็นขอของตัวแล้วก็เอาไปได้พวกเราทั้งหลายที่เกิดมาก็จะมีที่อยู่ที่อาศัยเพราะคนที่ตายไปจํานวนมากเขาจะต้องหอบหิ่หอบหามที่อยู่ที่อาศัยที่ดินที่เขาจับรองเอาไว้ยึดถือเป็นของของเขาหนีไปหมด เห็นินอันนี้ก็จะได้มีเพราะคนตายไปจํานวนนับไม่ถ้วนเราทั่วไปกับชาวนาเดียวกันอย่าไปใฝ่ฝันว่าเราจะได้อันนั้นจะได้อันนี้หอบผือหาบหามไปไม่ได้ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายไม่ว่านักบวชเทราวา่าจะหลงขนาดไหนมันก็เอาไปไม่ได้แม้แต่กายผมเส้นเดียวก็เอาไปไม่ได้เมื่อตายไปหมดสิททุกสิ่งทุกอย่างถึ่งเป็นของของโลก ก็เป็นของโลกอยู่อย่างนั้นเมื่อเราพิจารณาทบทวนต่อหาอัตหาธรรม่อพิจารณาอย่างนี้เพื่อจิตของเราจะไม่หลงยึดมัน่นถือมัน่นในจริงต่างๆ <c oughs> มี่ฉนว่า <c oughs> รูปกว่าทำคือพิจารณาให้รู้จริง <c oughs> เห็นจริงในจิตในใจเมจื่อจิตใจเรารู้เราเห็นจริงอย่างนั้นความหลงไหลไฝฝันมันก็น้อยลงไป หายออกไปถอนออกไปใจจะรู้จะขอาใจตามนจริงในสิ่งต่างๆเมือ่อมีชีวิตอยู่ก็แสวงหาใช้สอนไปตามธรรมดาแต่ในติดข้องขัพวพันจนเกิดที่เหลือเกิดตัญหาเกิดความอยากเกินนฝังเกินฝาไปหนึ่คือตาีพิกนะารนาะโยชน์ของรู้ว่าคนทุกคนเกิดมาไหนว่าหญิงว่าชายไหนว่า อดีตอนาคตปัจจุบันมันเป็นใจเหมือนกันในมีใครที่จะยืนยองคนอยู่ได้รูปร่างกายก็แ่ลควนเปลี่ยนแปลงไปตามเรื่องของมันอย่างนั้นพวกเราทุกคนก็แค่ว่างเห็นมันเป็นอย่างไรเราคงว่าทราบได้ในสอพคัวของเราในบ้านเรือนของเราเราเคยเห็นคนเหล่านั้นแต่เขามีชีวิตจนอยู่เขาก็มีอย่างนั้น เวลาเขาตายไปเขา อ, อะไรไปได้ไหมเราก็พอจะทรามได้เวลาทราบได้อย่างนั้นจริงๆเอาไปได้คืออะไรทางพระพุทธศาสนาสันนิ้สอนเอาไว้มีอยู่สิ่งที่เป็นของใช้สองตนใส่ทุก ส, สิ่งทุกอย่างเลยเป็นอนาาัตตาคือม่ใส่ตัวเป็นเปนสัตว์ทั้งหมดสิ่งที่เป็นของของตนนั้นพระพุทธเจ้าจ หรือนักละนักสอนเอาไว้เรามีกรรมเป็นของข้งตนมีกรรมเป็นผิวหนังเป็นมีกรรมเป็นแบนเตืดอนีคือเรื่องของ 3. กรรมการมก็คือการแต่ทำการแต่ทาเหนือกว่ากรรมกรรโดยกายเหีือกว่ากายกรรมทําโดยวาจาเหนือกว่าวาจีกรรมกรรโดยใจคิดโดยใจเหนือ ก, อ ก, อกวโนกรรมกรรมทั้งสามนี่แหละเป็นสิงผีจิตเป็นตามเตอไปได้ ไม่ว่าฝ่ายชั่วหรือฝ่ายดีคนที่ทำไปโดยควาในต้องการสาธารณะตดตามถ้าทําชั่วทำเชั่วจะต้องติดตามคนนั้นใหไปเปิดในสถานที่ชั่วให้ประสบพบทุกข์เดือดร้อนวุ่นวายทั้งใจคือในสาธารนาอยากได้แต่เราทําไปแล้วจะไปโยนให้คนอื่นให้รับจำสิเราทํำจนไปไม่ได้ จำเลว่าผู้หญิงผู้ชายที่ทำโรงไฟจะต้องได้รับผลของจำหนนั้นจาจึงเป็เรื่องสาคัญเป็นแของของตนเราทุกคนเกิดมาปรารถนาความสุขความสบายอยากได้ความดีความเด่นแต่ถ้าหากเมีจำดีสนับสนุนให้มันจะเป็นไปไม่ได้เพราะคนทุกคนเกิดมาอยากได้ดีมีสุขแสวงหา ตามฐานานะหน้าที่ทั้งตัวอย่างเอาจิงเอาจังแันแ่วันรู้เดียงสาเพื่อกระทั่งวันแฉวันตายก็ไ้ได้สมปรารถนาให้เพราะกรรมเก่าก่อที่เราสร้างเอาไว้ไม่สนับสนุนพอทำอะไรมีอยหญ่มีกินนิดๆหน่อยๆเยอะก็ถูกวิบัรัรใจจนจนว่าไฟไหม้หรือต้นยีดต่างๆถ้าสายก็อกอยากจะขาดทุนสุนกำอไร ทำอะไรก่อัในจบเหมาะให้หนีเพื่อนบุนน้อยวาสนาน้อยตามเ่าของเขาหีเชียงแข่นั้นแต่ท่านก็ไม่ให้แต่มาเนินเฉลยไออุตสาพยายามทำไปตามสัญ่าเชียนอุตส่าหแล้วทำแต่ขาดถึงเ้าเหนื่อส้ำหมันทำกันจริงจริงจังๆริแต่มันก็ไม่ได้เหมือนกันหมดคนเรามันเหมือนกันแเพราะกรํา ทางใจว่าคนเรามันอยู่ที่ําขยันหมั่นเพียรคนเราไม่อยู่ดึกการงานดียมีเงินท่องส่ของข้อนี้มั่นก็มาจากทำอีกเหมือนกันคนที่จกขยันหมั่นเพียรได้จะตอนมีทําดีสนับสนุนให้คือทํำใ้ทําใจท่งเขาถ้าอยากทําในสิ่งเหล่านั้นเพื่อ เข่าของเงินทองต่างๆในเกียร์ช้านอนใจเป็นเขาได้ ด, ได้วยวิธีใดก็อยากจะทำผ่านทางเดินทา ง, ท, างที่บริสุทธิ์ได้มาถึงเข่าของเงินทองต่างๆคนที่มีกรรดีสนับสนุนให้เป็นคนเข้าใจในเรื่องต่างๆด้วยดีถึงเหิดถึงนตคนที่กรรมชั่วสนับสนุนให้ ทำอยากได้ท้องใจก็มีเน้นกันแต่คุดไม่ออกที่ใจนาไม่เห็นว่าจะทําอะไรจึงจะได้มาสิ่งเข้าของเงินทองมันคิดไม่ออกทําไปก็คาดไม่ถูกว่ามันจะได้ผลไดกําไรหรือไม่หรือจะเป็นอย่างไรก็ไม่กล้าทําเมื่อเป็นอย่างนั้นเขาจึงอดอยากอยากจนอยู่เรื่อยๆไปหนีหมายถึงมนุษย์ปัจจุบันที่เห็นกันอยู่ ฐานะหน้าที่หนเหมือนกันทั้งที่เป็นลูกทั้งชนเดียวกันเกิดจากคันทั้งแม่คนเดียวกันพ่อคนเดียวกันแต่คนเหล่านั้นสติปัญญาไม่เหมือนกันสมบัติเข้าของในเหมือนกันทั้งทั้งที่คนเหล่านั้นอยากได้แต่สติปัญญาของเขาไม่มีวิชาความรู้ที่จ ะ, สะแสดงหาไหม่นี้มันผิดกัน ไมวาตา้งแตเรื่องสมบัตินอกตัวสมบัติในตัวต่อเน้่องกันอีกบางผู้บางคนผลรูปร่างตายก็สวยงามโรคไทยก็ไม่ใคยเบียดเบียนบางท่านบางคนก็รูปร่างตายคิริวคิริเงาะจากนั้นโรคไทยจะเบียดเบียนจะทําอะไรไปมาเต็มอยู่มิจัดทุกนี่คือตามเก่าสนับสนุนให้ไม่ใช่ว่าอ คนนั้นป่าขนาอยากทุกข์ยากลำบากอยากเกิดโรคไข้ไข้หนาวต่างๆทีเหล่านี้มนุษย์ทั่วไปที่มีสติธรรมดาเขาไม่มีมใจป่าขนานแต่ก็ได้รับได้เห็นเป็นพยานอยู่ในโลกสันจิ๋ว่าเกิดมาจากกรรมแท้ๆไม่ได้เกิดมาจากเรื่องอื่นยิดามันดาถึงไหนก็นเหนิดอของลูกทุกคนไป อยากจะได้ลูกทองตัวนั้นอยากเยืมก็อยากจะให้เติม น, นางามช่งเลืกอยากจะสวยที่สุดกินายาม่ยากทาเฉลียงสลาดต่างๆก็อยากจะหส่นื้อนเป็นผู้ชายใส่เงื้อคนอยากให้รูดหล่อเล้ า, า, าสงสวยงามรูดไ่ไข่เนื้ต่างๆไม่อยากให้เดียดเดียนต่อคองเงินทอง่าหัอยามลูกเอาได้ก็จ ะ, จะไปหาคนอืน่นจะให้ลู ทังตัวทั่วไปเนี่ยให้อดอยากยากจนให้เป็นคนมีความสุขความสบายแต่มันก็เหลือยุ่สเพราะกรรมของสัตว์อย่านั้นที่เขาทาไว้เพราจะต้องได้รับผลความทุกข์ความทั่วเขาจะได้รับผลความสุขความสบายตามกรรมของเขาที่สั่งเอาไว้เมื่อเราทราบ อ, อย่างนั้นอย่างกายเขาเปลีเราท่านมันมีการแปรปรวนแตกสลายในวันใดกับวันหนึ่งข้างหน้า จนเกิดมารุ่นเดียวชาวดียวกันหรือหลังเราเริ่มหายตายไปกอ น, นับในถวดเรายังมีโชคดีมีอำ น, นาจราชนายังมีชีวิตชีรายเป็นอยู่แล้วก็ใดทำบุญคุนทานตามฐานะหนา้าที่ของตนบุญกุศลนี่แหละเป็นเครื่องจำแนกแจกจัดให้ปลาดิและเรือสามส่างกันเมื่อบุญกุศลมีอา น, นาจราชักอย่างนั้น เราเกิดมาเราได้สะสมบุญกุศลอะไรไว้ในตรวตาที่จะน่ะดูกายดูใจของตัวสิ่งใดที่เราควรจะกาะทำบำเพ็ญได้อย่าตายใจอย่านอนใจอย่าผัดวันประกันพรุ่กว่าตอนนั้นก่อนตอนนี้ก่อ น, อ น, น, อนรีบจะทำบำเพ็ญเอาไว้เพื่อจะได้เป็นปัดใจเพื่อจะได้อาศัยในภพถาตต่อไปเราจะไม่คิดหวังเมื่อเรามีความ การดูในตัวของเราเหมือนกันกับค น, นมีเขา่าขวงเงินทองจะต้องการบ้านสองใหญ่โตขนาดไหนก็สร้างก็ได้อยากจะไปสถานที่ใดก็สะดวกสบายจะนั่งไปนอนไปต่อถึงพราะเรามีเงินทอง <c oughs> เงินทองเป็น่จงสารพัดนกอันหนึ่ง <c oughs> ในโลก อ, อันนี้คนจึงยืนย่นบื่นแสวงหาคนใดที่มีเงินทองเข่าของแล้วอยู่สะดวกสบาย พอสมควรคนที่อดทนไม่มีเข้าของเงินทองอยากจะได้บ้านช่องใหญ่โตก็ตสร้างไม่ได้อยากจะกินอันนั้นอันนี้ตีมี้รสชาติ อ, อร่อยพอมีอเงินทองแรกเปลี่ยนเขาเราก็เลยพบยากลําบากอยากจะเดินทางไปสืงจุดนั้นจุนีน้แต่ไม่มีเงินที่จะใไปขาโดยสารเขาไม่มีเงินที่จะซื้อรถส่วนตัวมาใช้ก็ลําบาก จำเป็นระยะทางเข se like. <c oughs> <Like. Go, S 2> so ้าไปวันเดียวล้วเดินไปตั้งเดือนกว่เดือนหน้าเขาไปง่ายเราไปยากยิ่งไปส่งบุญเราไปส่งเงนเดียวล้วเดินเป็นปีแต่ยังไม่ถึงหนึ่งเงินเดินบันดาลให้คนไปง่ายสะดวกสบายอย่างนั้นฉันใดบุญกุศลกว่าฉันนั้นบุญกุศลอย่าเดินบันดาลให้บุญคนตัวสะสมเอาไว้ ให้โดยมีความสุขกายสุขใจปราธนาสิ่งใดสมหวังเงินนั้นจะ้่ำร่าดลบันดาลให้แต่ในาติปัจจุบันคันตาเท่านั้นไม่สามารถที่จะู้เอาสวรรค์อมตะโลกนิพพานได้แต่บุญกุศลที่บุคคลสะสมแต่ทำบำเพ็ญนั้นสามารถที่จะไปสวรรค์ไปนิพพานได้แก่นั้นพวกเราท่านก็มีกายมีใจมีสุด ที่จะไปคิดปฏิบัติทำนั้นเรื่องของขวัขวายเอาเสียในเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่ว่าตายแล้วถึงจะให้คนนั้นให้คนนี้ทำบุญสุ้นทานให้เราจึงจะได้คิดถ้าสมบัตอย่าไปคิดอย่างนั้นเพราะการคิดอย่างนั้นบางทีอาจผิดหวังเพราะเหตุใดเพราะไม่มีกฎหมายแฏิบัตใดที่เขาบังคับบัญชาสัก สอนแม่รู้ลูกหลานตายตายให้ทำวบญญาณคิศให้นะทาอย่างนั้นทำอย่างนี้ทำอะไรทำแะบผิดกไหมายเครจะเอาไปประทัดประหารไปฆ่าหรือไปติดคุกติดตารางไม่มีแลาคูอที่เป็นอยู่ถ้าไม่รู้บุญคุณของคนที่ตายไปเพราะไม่ทำให้เราก็ไม่มีสิทธิ์คิดฟ้องราอจากลงจากศาลที่ไหนแต่นั้นผู้ฉลาดทั่วไปยืงนยื่เรื่องแต่ทาบาเชนคนงานคนเดียวไว้ ที่เจรนาตายที่เรนาใจทั้งส่วนจึงได้ที่ชั่วคนสาระกละไปจึงได้ที่ดีดื้อจุเจ้งแต่ทำบำเพ็ญเห่รู้เห่เห็นให้ดีให้เด่นพอรื้แต่ทำบำเพ็ญแต่เกิดเหตุเหเห็นเห่รู้ในจิตในใจหูึู่้ทอคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่อกวักรจำจนที่มีกรจำดีเท่านั้นที่จะไปสู่สถานทีดีได้คนชั่อคนเสีย มีโอกาสเวลาถึงจะมีเงินทองคราบครองมากมายกายกองขนาดไหมอยากไปอยู่สวรรค์ฉันจะให้เถอะนะข้าจะให้เถอนนะถอนี้ขอให้ข้าไปะะเดี๋ยวกขึ้นสวรรค์เถอะไม่มีทางแต่ทําดีคือทาดีคือบื้กงตัลคือเราจะทำโดยกายร่ า, า, ายใจใจข็งสนั้นไปได้อย่าแงบบสะดวกสบายถึงถงไม่เคยไปไม่เคยเห็นด้วย อ, อันนั้นทำดี สิเรามีอยู่จะเดิบนบรรดาให้ไปสู่สุคติไปสู่สถานที่มีที่มีความสุขความเจริญแต่นั้นพวกเราท่านที่อยู่ในประมาทจิดเห็นชีวิตในเส้นของเสงแท่แนี่นอนเป็นของเป็น <c oughs> ของกิรังอย่างยืนเรารีบเรื่งควงขวายสแสวงหาบุญกุศลไปในทิศทางต่างๆที่เรา พิจารณาแล้วเห็นว่าสถานทีน่นั้นคงจะเป็นเนื้อนาบุญของเราเหมื่อเราเด็กจูกฝังไว้ในสถานที่นั้นบุญกุศลของพวกเราท่านจะเส่งเป็นเริญลื่เลี้ยงเชียงใดอุตส่าห์พยายามสลักเข้าของเงินทองบ้านทองออกแสวงหาบุญกุศลไปในวัดนั้นมักนู้นคือเราเห็นม่าพิจารณาแล้ว วัดวัดนั้นหรือองค์นั้นที่นั้นจะเป็นเนื้อนาบุญแกเ่เราเราทําแบบนี้ไม่ใช่ว่าเราทำศิษยเราทําถูกพระพุทธเจ้าจงสันไลสนจนขีดมีปัญญาแ <c oughs> ถวนั้นที่จะรักษ า, าศาสนาไว้ได้จนขี่มีปัญญารักษาศาสนาไว้ในได้จนขีดมีปัญญาแถวนั้นที่จ ะ, สะแสวงหาสมบัติภายนอกได้ คนทนี่มีปัญญาสแสวงหาไม่ได้ฉันใดควรที่ทำบุญกว่าฉันนั้นจะ ต, ต้องที่นี้ที่เจนาสแสวงหาว่าสถานที่ใดควรเหมาะสมคือเราจะทําไปตกแอกออกกําไรให้สถานที่ใดเหมื่อทําไปจะไรผลเราจะต้องที่เจนาดูพรามสับสมบัตแต่ตาเล้ยกที่เราหามาได้ ก็เป็นของของเราเรามีสิทธิ์ที่จะใช้สอยได้าตามจาดหาถ้าหากเราเอาไปทาในทางที่ผิดแล้วจะเกิดชาระประโยชน์ให้แต่นั้นของของเราเรามีสิทธิ์เราอยากจะไปทําที่ไหนเราไปทําได้ตามชอบใจ่ออยู่ทร์บังชับบัญชาว่าจะไปทําที่ไหนนะอย่าไปทําที่ไหนนะโดยยูครบังคับเราทำด้วยความสมัครใจของเรา แต่ต้องอาศัยปัญญาที่เจนานัา่คิดทวนว่าสมควรหรือไม่ทำไปจะออกดอกออกผลขนาดไหนเราต้องคิดทุกนี้ที่เจนาดูว่าเราเลงทุนเราทุนน้อยเหมือนกันกบค น, นมีกลูกแต่สินน้อยยืมเทาไหดูให้แน่เยอยก่อนยืมถ้ายืมไปเลยถูกลูกแต่สิก็หายไปแต่มีอะไรที่จะยืมต่อ่อาเงินอก ทานคือเขายิงเนื้อยิงล็กต่างๆขั้นใดเราจะทำนองนั้นเราไม่ทุนน้อยไม่มากไม่สายกองอะไรก่อนสืเราจะยืิงไปก่อนสืเราจะทานไปต้องไข่คิดคิดเจนาเชื่อก่อนว่าจะชานที่ืได้เหมาะสมจะเกิดจนเนื้อนาบุญเสีจนก็ทำไปตามการคิดการเห็นเขาตอนว่าเหมาะกว่าสมมันจะเกิด ผลเกิดกาไรมีการทําบุญภายนอกการทําบุญกับบุคคลผู้อื่นสุงทุกคนจะตจะ้องแสวงหาในอย่างนั้นก็จะไม่ทราบว่าเราเกิดมาทำไมได้อะไรในการเกิดเราจะตำหนิติเตียนตัวเองว่าเกิดมาไรสาระเกิดมาไหนทําสว่ ง, งามทำดีอะไร กับคนอื่นก็ไม่ได้ทำกับตนเองก็ไม่ได้ทำหรือทากับคนอื่นตั้งหลักสถานที่ทํากับตัวเองตั้งหลกสถานที่ด้วยสติด้วยปัญญาอีกเหมือนกันทํากับตัวเองทําบุญทำกุศล น, นั้นทําอย่างไรพระพุทธเจา้าสอนเอาไว้คือ ท, ทําจิตทําใจทังตัวให้สงบกาน ห, หนดที่นิสิตเจริญนะ้ขออัดขอทํา ให้จิตตอกให้จิตอาศัยสําระอารมณ์สัญญาจี่เป็นข้าวสุดของใจให้ตกไปเลือกเซนทีนิต ท, ที่เจอนาอารมณ์สัญญาอะไรเกิดขึ้นจปนฝ่ายทำเป็นฝ่ายความรู้ความฉลาดเรานํามาทีวิตที่เจอนะเป็นฝ่ายากาาีดกัญหาเป็นฝ่ายขี้ว่าฝ่ายเคี้ยวเรารื้อําระแก้ไข ตยปะละทู้ไปนี่คือเลือกอสัญญาอรมเข้างใจเรือกดูพิจารณาดูใจชื่อใจเสียใจเดือดร้อนวุ่นวายใจทุกข์ใจโทษใจไห่ดีรีบกำจัดมันออกไปด้วยจิเ ด, ด้วยปัญญานำความสงบนำความเย็กเย็นนำความสว่างสวัยนำความดีมาให้แก่ใ จ, ใจท้องตนเพื่อนำอัก ทำมาแนะมาสอนใจทั้งตใจที่เคยสูงสูงเดือดร้อนวุ่นวายเมื่อถูกอัดทต่อไปขอบํารักษาใจนั้นจะเกิดความสว่างสวัยใจนั้นจะสงบเยือกเย็นให้นึ่คือการทําบุญภายในทาบุญโดยกายโดยใจทั้งตัวเรามีจิตที่จะทําได้ในว่าฆราวาสในว่านักบวชควรขวนจิตที่ได้พิจารณา เพราะชีวิตชีวาของเราไม่แหนนอนบางทีฝูกกันอยู่ดีๆตอนเช้ามาว่าตายไปเย้ะกว่ามีบางทีฝูกกันอยู่วันนี้วันหน้าว่ตายไปแล้วกวมีมันเป็นอยู่อย่างนีแต่ไหนแต่ไรมาเราจะไม่ทราบาว่าเราจะยังอยู่อีกอยู่วันอยูๆๆๆๆๆๆๆๆ่เดือนกี่ปีชีวิตของเราเราไม่ทราบได้เราไม่ทราบได้อย่างนั้นอะไรคือควร จะการทำบำเพ็งใส่เห็นเหวี่ใส่เกิดเห็นมีในเต้าช่งตัวกระริบทาเอาเสียในเรื่องความดีต่างๆเพราะกรรมเท่านั้นที่จะนำพวกเราท่านจุดไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงนิพานกรรมนั้นจึงจะหายไปถ้หาหายใจยังข้องจิตอยู่ในเท็จชาติกรรมดีและกรรมชั่วจะต้องติดตามไปเหมือนเราตามตน จะไปสถานที่ใดเราจะตั้งจิตตามไปเรื่อยๆจำเถื่อนและตจำดีมีหน้าที่ที่จะจะแม่แจกศาสยนั้นแต่นั้นเถื่เราท่านที่เกิดมาเป็นมนุษย์พระพุทธศาสนาก็รีบเร่งแต่ทาบําเพ็ญคุณงามความดีตามหน้าที่ทั้งคนที่เจ้านารูปประทับอรูปอันนี้มันหม่ที่ิรังอย่างยืนแต่ควรเปลี่ยนแปลงไปตามหน้าที่ของมัน แล้วรูปอันนี้เรา ส, สามารถทำดีมันก็สร้างได้ถ้าทําความชั่วมันก็ทำได้เรารักตัวของเราเราจะเอาเสื่อหรือเอาดีนั้นแต่เหยุดขับจับดูว่าที่เราทําไปนี้มันเป็นทางนดูทางเสื่อาเป็นทางเสื่อเราหม่ปราถนะหยุดละหยุดเว้นอย่าไปแต่ทําบำเพ็ญเพราะความชัื่อจะจุดตัวไปทางแหละถึงได้ที่มันดี ม, มีคุณค่ามีสาระเราทำไปจะทำให้ตัวของเราได้รับความสุขความสบายคนอื่นสัตว์อื่นทันน่วไปเขาสมใจปราถนาเราบังคับบัญชาจิตใจของเราให้ทำใส่ผูกให้คิดในสิ่งหนึงนั้นเมื่อเราไม่ประมาทกลาดกวยเอาคุณงามความดีวันนั้นนิดวัน น, นนี้หน่อยเรื่อยๆไปความดี มันจะมีปำนวงมากขึ้นเหมือนกันกับพุ่งมันเรือปลือกมันต่อจมูกมันไม่มีรดแคตเตอร์ไม่มีุ่วงยึดไม่มีอะไรเจาะเสียมหรอกมันอาศัยปากมันขาดมาที่นนิหน่อยจนต่อโดยดูดไม่ถอยจมูกมันสูงขึ้นเองใหญ่โตขึ้นเองพุ่งก็เหมือนกันร่างมันใหญ่ที่เรามองเห็นได้แต่เพราะมันต่อดูเรื่อยๆหามาเพิ่มเติมอยู่เรื่อยๆมีบนกิ่งสนกิ่เปลือกเราท่านพุทราสาสนิจส่ส สะสมก็ทำนองเดียวกันวันนั้นนี้วันนี้หน่อยทานเราก็ทำศีลเราก็รักษาภาวนาเราก็บำเพ็ญทำวันนั้นทำวันนี้ไม่หยุดไม่ถอยผลที่สุดบุญสุ่ดิ์สิทธิ์ติบโตขึ้นแต่เป็นผิดถึงผิดอาสายแสกกายแส่ใจทั้งตัวดังนั้นขอทุกท่านอย่าประมาทอุตสาห์พยายามทำควางามความดีเดือยไปพวกเราท่านก็จะไป้เสร แต่ความสุกความเจริญการปฏิบายิธรรมนั้นกังไว่พอสุดจนเจรเแล้วขาจะจิดเพิมเิมอีก